เมื่อวานนี้ได้พูดถึงในเรื่องของบารมีบารมีพูดถึงในเรื่องของการบําเพญ็ญพุทธการะธรรมธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็สรุปเรื่องบารมีมาค่อนข้างเยอะเรื่องบารมีบารมีก็ขยายความในเรื่องของบารมีค่อนข้างเยอะอพูดถึงบารมีเนี่ย บารมี10เนี่ยก็มีบารมีอย่างสามันสิใช่ไหมจำได้ไหมบารมีอย่างกลาง10บารมีอย่างอุกฤษเป็นปรมัตถบารมีอีก10รวม3ระดับแล้วก็เป็นบารมี30บริบูรณ์ก็จําแนกเป็นทานาบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีและก็เวขาบารมี อย่างกลางก็เป็นทานะอุปปัฏารมีใช่ไหมสีลอุปปัฏารมีเนคขมะอุปปัฏารมีปัญญาอุปปัฏารมีวิริยะอุปปัฏารมีขันติอุปปัฏารมีสัจจาอุปปัฏามีอธิฐานอุปปัฏารมีเมตตาอุปปัฏารมีและอุเบกขาอุปปัฏารมีนี่ระดับกลางถ้าอย่างอุกฤตก็เ uh ป็นทานะปรมัตถบารมีสีระปรมัตถบารมีเนคขมะปรมัตถบารมีปัญญาปรมัตถบารมีวิริยะปรมัตถบารมี okay คันติปร ม, ร, รมัตถบรมีสัจจะป ร, ะม ร, รมัตถบรมีอธิฐานะปร ม, า ร, รมัตถบรมีเมตตาปร ม, า ร, รมัตถบรมีแล้วก็อุเบกขาปรมัตถบรมีเป็นต้นเมื่อวานได้ขยายคําว่าอะไรเป็นลักษณะราชาปจุบฐานประทัดฐานของบา ร, รมีสินั้นคําว่าลักษณะก็คืออะไรคื อ, ค อ, อก็คือบา ร, รมีเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้มีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะเครื่องหมายของเขาเป็นอย่างนี้ หน้าตาเป็นอย่างนี้ลักษณะของบา ร, รมีทุกบา ร, รมีจะต้องบำเพ็ญไว้เพื่อเกื้อกูลจัดอื่นบุคคลอื่นนี่นะแต่เอาบา ร, รมีนั้นมาผูกไว้ในตนมาใสไว้ในตนตัวบา ร, รมีทำก็เลยเป็นเครื่องคุ้มครองเลยบา ร, รมีก็ดีพระธรรมก็ดีอันเดียวกันนะ่นนะธรรมรัตนะหรือพุทธรัตนะธรรมรัตนะก็คุ้มครองกระแสชีวิตนั่นเองนะให้พ้นจากอุปสรรคและพยอันตราย นั้นเรียกคนมีบารมีครับเราเคได้ยินคำนี้ไหมถ้าทางโลกเนี่ยคนมีบารมีไปพูดถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่นุยโอ้ยคนมีเงินเยอะๆคนมีอำนาจเยอะๆอะไรต่างๆเหล่านี้เราไปเรียกว่าคนคนั้นมีบารมีคำพูดแบบนี้ถูกหรือผิดนั้คนมีบารมีก็ต้องมาเจาะดูว่ามีทานบารมีไหมมีศีลบารมีหรือไม่มีเนคขมมะไหมมีปัญญาบารมีไหมมีขันติมีวิริยะมีขันติมีสัจจะ มีเมตตามีมีอธิษฐานนะมีอุเบกขาบารมีเป็นต้นใหม่ใช่ไหมแต่ทางโลกเขาโอ้โหใครเป็นเจ้าพ่อใหญ่หมายวเจ้าพ่อการพันนันเจ้าพ่ อ, พนน เ, พอเป็นนักเลงเขาไอ้นี่มีมีบารมีไอ้นี้เอาเอาบารมีไปใช้ในทางที่ไม่ดีงั้นต้องเปลี่ยนใหม่ปฏิปฏิวัติใหม่ปฏิวัติใหม่ก็คือว่าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม่เข้าใจนะเราไปบอกว่าคนคนนี้เป็นคนมีบารมีพูดผิดหรือูดถูก พูดไม่ถูกใช่ไหมคนมีบารมีก็แปลว่าคนมีบารมีสิบมีอุปปารมีสิบมีปรมัตถบารมีสิบสรุปแล้วว่าคนที่มีบารมีคือพระพุทธเจ้าไงเป็นคนมีบารมีบําเพ็ญบารมีเต็มแล้วก็เลยเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมคนเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยบําเพ็ญบารมีให้เต็มสมควรเน่การจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วเนี่ยหรือเป็นอัคครสาวกเช่นภาษารีบุตรพระโมคคานนะ ซ้ายและขวาหรือเป็นอสีติมหาสาวก80รูปเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกคนมีบา ร, รมีและกระทันกับบาเพ็ญบารมีด้วยนั้นบา ร, รมีนี่เกิดกลายเป็นเรื่องของความดีงามใช่ไหมเป็นคุณสมบัติที่ดีเลยนะบา ร, รมีเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นความเป็นเลิศดพราะประกอบด้วยคุณวิเศษมีทานศีลเป็นต้นเนี่ยพระบารมีเป็นอย่างนี้หรือภาวะหรือการกระทําของผู้เลือดหมายถึงการกระทําของพระมหาสัตว์ทั้งหลายเนี่ย บารมีก็คือการทําให้เต็มพระอิสัตต้องทําให้เต็มไม่บริบูรณ์เนี่ยการบําเพ็ญก็ได้ก็คือการรักษาคุณทั้งหลายรักษาทานศีลเนคขม่าเป็นต้นเหล่านี้หรือร้อยแล้วผูกไว้หรือผูกพันเนี่ยเป้าหมายความว่าเออชีวิตจิตใจในผูกพันไว้กับบารมีตลอดเลยอย่างพวกเราเนี่ยต้องบําเพ็ญบารมีตลอดไหมกําลังทําใช่ไหมแล้วก็ดูว่าเออวันวันนี้เราได้บารมีข้อไหนบ้าง ถ้ า, าบา ร, รมีเต็มเมื่อไรเขาเรียกเป็นผู้มากด้วยบา ร, รมีหรือถ้าบา ร, รมีเต็มเปิดเสร็จอย่างพุทธเจ้าก็า เ, เรียกว่าบำเพ็ญบารมีครบถ้วนแล้วทําให้เต็มทําให้บ ร, ริบูรณ์แล้วเออถ้าทําให้เต็มทําให้บ ร, ริบูรณ์แล้วจะเป็นอะไรได้หมดเลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าเป็นคารวาจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีมีปกครองโลกสี่ใบอ่ะชมพูทวีปโลกใบนี้ทั้งใบ อุตรคกรุทวีปอีกใบหนึ่งปภาวิเทหทวีปอีกใบหนึ่งอปรากโคยานณทวีปอีกใบหนึ่งและมีทวีปน้อยเป็นบริวารอีกสอง0ันเอาสิเนี่ยเนี่ยไงเนี่ยถ้าอยู่เป็นคารวาตต้องเป็นจกักรพรรดิแต่ถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้ามีลังคาคือกิเลส ท, ที่เปิดแล้วก็วคือสามารถดัดกิเลสได้เนี่ยมีคติสองนะนะคนที่ สังเกตได้คนบารมีเต็มหรือไม่เต็มก็ดูว่าบารมีงั้นจะออกมาที่ลักษณะเช่นมีมีตานะีมีลักษณะใบหูตาเออยแขนเออยคอเออยเนี่ยบุคลิกภาพาทั้งหลายอะไรเนี้ยเขาเรียกมหาปุริสราขนาดสามประการและอนุภรัยายยนะแปดสิ่ามือฝ่าเท้าไล่ไปตามดักเขาเรียกโอ้โหเนี่ยบารมีมันส่งผลมาที่กระแสชีวิตและให้ส่งผลที่ชีวิตจิตใจแม้ส่งผลในรูปธรรมด้วยมีความงดงามในพระรูปทุกสัดส่วนเลย ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหารใหม่หารก้ามาสองนี่นะโอ้โหบริบูรณ์หมดเลยเพราะนั้นเกิดมาจากบา ร, รมีที่สั่งสมมาเหมือนเหมือนรถนะ่รถบางยี่ห้อเนี่โอ้โหทุกชิ้นส่วนว่าให้เป็นชิ้นส่วนที่มีคุณภาพอย่างดีคนที่บา ร, รมีเต็มเนี่ยเอเวลาได้ชิ้นส่วนมาทุกชิ้นในกระแสร่างกายเนี่ย จากบริบูรณ์มากมาจากกุศโลกรรมที่มีกําลังมากโอ้แข็งแรงทุกจุดทุกส่วนเลยและมีคุณภาพดีที่สุดเลยอย่างพวกเราเนี่ยโอ้โหบางอย่างแย่เลยใช่ไหมบางคนหูแย่ตาดีอะไรเงี้ยโอ้โหไม่ไม่ค่อยบริบูรณ์เนี่ยบรารมีไม่เต็มมองเห็นไหมล่ะบรารมีสําคัญัหมนั้นบรารมีจึงมีความสําคัญมากเลยบรารมีถึงว่าชําระตนให้สะอาดด้วยทําให้ถึงขจัดตัดเส่งโลกใส่ลงไปเถึง เ, เป็นต้นงั้นก็คือสรุปแล้วก็พวกเราก็ต้องต้องยินดีในบารมีเหล่านั้นอภิการต่อมาคือพูดถึงในเรื่องของบารมีก็มีการอนุเคราะห์ผู้อื่นเป็นลักษณะแล้วบารมีมีการอุปการะผู้อุปการะผู้อื่นเป็นรัเป็นหน้าที่ด้วยมีความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผลปรากฏ มีอะไรเป็นเหตุกล้ความฉลาดในอุบายการุณาเป็นประทัดฐานเป็นเหตุกลร์เกิดขึ้นทั้งความฉลาดด้วยทั้งกรุณาด้วยนี่นแหละต่อไปดูในเรื่องของลักษณะพิเศษเฉพาะของบา ร, รมีแต่ละข้อแต่ละข้อที่เราจะต้องไปศึกษารายละเอียดเลยแต่เนี้ย <c oughs> เอาว่าจะรายละเอียดบา ร, รมีดังนี้ก็คือว่าทานนบา ร, รมีลักษณะของทานบา ร, รมีเป็นอย่างไร ทานบา ร, รมีก็คือมีเจตนาที่จะบริจาคตนเองและสิ่งต่างๆด้วยโดยมีกรุณนาและปัญญาจำกับอยู่ใช่ไหมโอ้มีเจตนาที่จะให้เจตนาที่สละสล ะ, สละตนเองด้วยนะอะอย่างคนที่มีบา ร, รมีทั้งหลายคนที่ปราถนาจะเจริญทานบา ร, รมีทั้งหลายเนี่ยยังนั่งอยู่กับที่เนี่ยมีใครเดินมาเออเป็นผู้ใหญ่เดินมาเออเป็นพระเดินมาลุกให้เลยนี่มวนนั่งครับแม่ ถวายอาสนะที่ตนเองนั่งดันทีเลยเนี่ยคนไม่เห็นไงไหมแค่นี้เขาได้ได้ได้บารมีย่งได้ถวายอาสนะเป็นทานแล้วนี่เป็นต้นลุกขึ้นต้อนรับทําอะไรต่างๆเลยนี้เป็นต้นเนี่ยนี่เป็นเป็นทานเป็นทานบารมีได้ดูสิคนฉลาดเนี่ยมองไปที่ไหนเห็นเป็นทานบารมีได้ไม่ยากเลยมีเจตนาจะสละตนเองสละความสุขตนตัวสละความเห็นแก่ตัวทิ้งเลยเห็นไหมแล้วก็สละวัตถุเนี่ย มีอะไรโดยมีกรุณาคือมีความการุณาคนอื่นบางทีอะถ้าบางคนเคยขึ้นรถเมย์เนี่ย <_ co ans> เห็นคนแก่ขึ้นมาใช่ไหม <_ co ans> เห็นผู้หญิงขึ้นมา <_ co ans> เห็นเด็กขึ้นมาปุ๊บเนี่ยลุกทันทีเล ย, ยกรุณาเขาแล้วก็มีปัญญาโอ้เห็นว่าเออเรายังแข็งแรงเราสามารถที่จะเ อ, อืเออ้อมโดยประโยชน์ให้กับคนอื่นได้เป็นต้นเลยเนี่ยมันจะมีลักษณะเนี่ยเป็นเป็นลักษณะดงนั้นทานก็มีการบริจาคเป็นลักษณะเลยนะบริจาคมีการให้ และมีการกำจัดโลภะคือกำจัดความโลภในไทยธรรมเนี่ยเป็นหน้าที่ด้วยคำว่าเป็นหน้าที่ในที่นั้นก็หมายความว่าเป็นกิจเวลาตัวการัดสลาเนี่ยไอความโลภความยึดติดความห่วงแหนความตนีทั้งหลายเหล่านี้จะถูกทำลายนั้นเป้าหมายวัตถุประสงค์ก็คือต้องทำลายตัวนี้ในใจให้ได้ นั้นเห็นหมว่าเขามีเขามีวัตถุประสงค์ในการที่จะให้ไม่ใช่อยู่ๆเขาให้ก็ให้ไปอย่างนั้นเลยแต่ไม่เคยรู้ว่ามันจะได้อะไรมันจะกําจัดอะไรเจ้ไหมนั้นพวกนี้เขาจะบอกเฮ้ยมีชอบให้ชอบสาระชอบแบ่งปันและในขณะเดียวกันเวลาให้ไปแล้วเนี่ยขจัดความหวงขจัดความโลภในในในการยึดติดในที่นั้นอย่างบางคนหวงเกมเนี่ยหนูไปปุ๊บบอกเอาแล้วฉันจะชนะมันน่ได้ ไอความโลภไอความยึดติดเนี่ยเข้าไปถึงปั๊บเนี่้พอเสร็จไปวันแรกไปเลยถือถือไปเขาเปิดปุ๊บเอา้าเอาไปให้พี่ไปเลยสลาเกมให้โอ้โหทุกคนโอ้โหนี่สุดยอดเลยเนี่ยก็เรียกว่าทําลายความโลภทิ้งซะเลยทําลายความตัณฑ์ทิ้งซะเลยเนี่ยสิ้นเรื่องเลยเนี่ยเพราะงั้นเดี๋ยวแต่ไม่เราอะไปกอดมันอยู่นั่นแหละรักมันมากหวงมันมาก ขนาดนอนเยี้ยวฝันนึงมั น, นึลมองเห็นไหมเนี่ยไม่คล้าทำลายแล้วเราจะยิ่งใหญ่ได้ยังไงเราจะบรรลุอะไรได้เราจะประสบความสาเร็จอะไรได้ก็แค่อีกวัตถุหลอกๆเพียงแค่นี้มันยังไปยึดติดมันอยู่เห็นไหมเนี่ยมองเห็นหรือยังว่าไอ้ตัวทานเนี่ยมันกำจัดไอ้ความโลภเป็นต้นเหล่านี้มีการไม่ยึดติดหรือมีพบที่ น่าปรารถนาเป็นคือให้สละไม่ยึดติดเลยนะไม่ยึดติดมีความไม่ยึดติดในวัตถุสิ่งของแล้วก็มีพบที่น่าปรารถนาเป็นผลงั้นทานเนี่ยก็ได้สุคติพบอยู่แล้วมีวัตถุที่ควรบริจาคเป็นเหตุใกลวัตถุที่ควรบริจาค ก, ก็เห็นวัตถุเห็นสิ่งของทั้งหลายเนี่ยที่สมมุติจะเป็นของตนเองทั้งหลายอลไรเนี้ยน้อมเยไว้ให้ตลอด ไม่ได้เคยคิดว่าจะเอามาไว้เป็นของตนเองเลยดูการดูเวลาดูเหมาะคนดูบุคคลที่สมควรเมื่อไรเราจะสละทิ้งให้หมดอย่าว่าแต่วัตถุข้างนอกเลยแม้แต่ข้างในกระแสชีวิตก็จะสละทิ้งถ้าไม่สละนเนี้ยนาข้านาข้าวก็มันก็พังอยู่กับชีวิตนี่เลยคนบางคนเนี่ยเก็บไว้จนเสียเช่นมีเกมก็เก็บไว้จนเสียจนเก่าหรือจนหมดจนจนคล้ายๆว่ามันตกรุ่นแล้วมีนาฬิกามีโทรศัพท์มี วิทยุมีสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลายมีเสื้อผ้ามีอาหารเก็บไว้จนบูดเงี้ยพวกนี้ไม่ฉลาดของแบบนี้มันมีมันใช้ได้ในการชั่วคราวเท่านั้นเองฉะนั้นเวลาจะให้ก็ต้องให้ในขณะที่มันยังดีอยู่ยังสมบูรณ์อยู่เขาใจยังเขาฉลาดในการที่จะให้เขาจะไปตรวจสอบอในตู้เย็นเนี่ยมันมีอาหารอะไรเราจะให้ได้ ในกุฏนี้มีวัตถุสิ่งของใดๆเนอะที่เป็นของเราเนี่ยเราจะได้สละเราจะได้บริจาคเราจะได้เจริญกุศลมองไปหนะ้าที่ไหนทั้งหลายเราเนี่ยเหมือนเนี่ยเหมือนกุฏหลังนี้เหมือนบ้านหลังนี้เหมือนเหมือนเมือนอาควิหารหลั ง, นงเนี่ยมองพบโอ้โหเนี่ยอาจารย์เขาถวายที่อาจารมาใช่ไหมถวายยันมาฉันก็โอ้โหได้ให้ทานตลอดเลยเว้ยเนี่ยพวกเรามาอยู่เห็นไหมข้างล่างเราก็จะถวายให้เสนาสนท า, าน ให้ที่อยู่อาศัยด้วยให้เครื่องดูงห่มด้วยให้ยาด้วยให้อาหารด้วยให้แสงสว่างด้วยโอ้โหชื่นใจทุกวันเล ย, ยเนี่ยเห็นไหมฉ้าได้ให้ทานทุกวันไม่เคยหยุดเลยเขามาใช้สอยทางไงบุญก็เกิดขึ้นกับ ก, ก, ก, ก, กับกับกับผู้ที่บริจาคผู้ที่ให้ยางต่อเ น, นื่องอย่อย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมคนมาใช้คนมา ม, นมานั่งพักคนมาเข้าห้องน้ำโอ้โหเราได้ให้ตลอดขยายยัง ก็แปลว่าคนที่สร้างหลังนี้ก็จะได้บุญไปเรื่อยได้บุญไปเรื่อยกว่าจะไม่มีใครอยู่กับที่นี่แล้วอ้าวใช่มีเป็นอย่างนี้มีคนฉลาดเขากระทาแบบนี้แหละเหมือนรถเหมือนกันนะเอาเอารถไปบินระบาดมีโอ้โหได้ให้ยานนาฐานะอย่างต่อเนื่องเลยนี่เป็นต้นฉะนั้นของอะไรก็แล้วแต่มันได้ใช้แต่ละครั้งบุญก็เกิดแต่ละครั้งละครั้งละครั้งติดต่อต่ อ, ตอ พวกเราเนี่ยมายืนมาเดินมานั่งมานอนเราจะใช้ดีไม่ดีอะไรก็แล้วแ<ช> <okay. S 2> ต่ตดได้บุญตลอดที่เนี่ยเขาถวายเขาเขายกให้เป็นส่วนตัวอาจารย์เขามอบส่วนตัวอาจารย์ก็เลยมาแจกแก่อา้าวใครควรอยู่ตรงไหนตรงไหนนี่เลยอาารก็ได้บุญตลอดตั้งแต่สร้างมาไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ได้บุญได้บุญตลอดบางทีคนไม่อยู่มดอยู่ก็ได้บุญเนี่ยจริงจอกอยู่ก็ได้บุญเนี่ย ไ ด, ได้บุญใช่ไหมได้บุญทั้งนั้นไหมพอเผิอ น, นกมาจาับไม่สร้างความรองคาด้วยนะเขาจับแต่ข้าบนหลังคาใช่ไหมบางคนแม้ไม่อย่โอ้โหมีความรองคาเกิดขึ้นด้วยก็มีเยอะใช่ไหมเนี่ยบุญมันเกิดอย่างนี้แหละเข้าใจยัง เออในในลักษณะของเลือดด้านทานนี่นีนี่บอกรายละเอียดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆไปขยายทีหลังเพราะจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอยู่หลายระดับนีหลายอย่างประการต่อมาคือศีลศีลบารมีก็มีความประพฤติทางกายทางวาจาหรืออาชีพเนี่ยที่มีกรุณาและปัญญากำกับอยู่ทําให้งดเว้นสิ่งที่ไม่ควรทําและมีความตั้งใจกระทําสิ่งที่ควรทําอย่างนี้เป็นต้นงั้นตัวศีแลแะนเนี่ยจะเป็นตัวกํากับ นะพฤติกรรมทางกายทางวาจาและอาชีพให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายไม่ให้ซ่านไปด้วยความเป็นผู้ทุศีลแนักคนมีศีล ย, ยังดูงามมากเห็นไหมคนที่เดินตามกุศรศีนก็ ง, งดงามเดินก็ ง, งดงามยืนก็ ง, งดงามนั่งก็ ง, งดงามพูดก็ ง, งดงามเห็นไหมพฤติกรรมทางกายก็ ง, งดงามพฤติกรรมทางวาจาก็ ง, งดงามเลี้ยงชีพก็ ง, งดงามเพราะมีอะไรกำกับอยู่ มีศีลนี่แหละมีกรุณาและปัญญานี่แหละเป็นตัวกํากับนะมีความกรุณาเนาะคนที่เออคนที่รักษาศีลก็มีความกรุณาต่อตอนเองด้วยนะและกรุณาต่อบุคคลอื่นเพราะงั้นปรารถนาให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็จะได้กุศลต้อ เ, เห็นนักบวชเนี่ยเขาเป็นได้กุศลนะหอันดับแรกเขาได้ทัศนียะนะได้ทัศนียะก็คือได้เห็นสิ่งที่เลิอดสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เป็นมงคลกับเขาแล้วก็ได้สัต ธาตนิยะก็คือได้ความเชื่อมั่นได้ความปราดเปรื่มใจเออพอเขาเห็นนักบวชปุ๊บเนี่ยเขได้สองส่วนนะได้ทัศนะได้เห็นที่ยอดเยี่ยม αι, เห็นนักบวชเนี่ยเห็น บ, บนคุคคลที่บำเป็นได้กามานิยอดเยี่ยมเลยเห็นผู้มีศีลวะแต่โอ้พอเห็นผู้มีศีลปุ๊บมไอ้ทัศนะไอ้ทัศนียะเนี่ยหมายความว่าทางทางด้านตาเห็นข้างนอกก่อนเออได้เห็นที่สิ่งที่ดีงามพอลงสู่ใจปุ๊บโอ้โหเกิดศรัทธาเชื่อมั่น เ, เกิดความเชื่อมั่น เ, เกิดความปากปลื้ม เ, เกิดความผ่องใสในจิตใจโอ้โหเหนี่ยได้ความปลื้มเนี่ยเราที่เราไปบินตาบายไปทํากิจกรรมต่างๆก็ต้องการให้โยมเขาได้กุศลตรงนี้แหละหนึ่งได้เห็นสิ่งที่ดีก่อนอ่าถ้าสมมติเดินเดินไปถอดทีวอออกวิ่งเอเขาจะเห็นอะไรเห็นสิ่งที่น่าเห็นไหมเห็นอ่สระกับสะบูไม่เห็นสิ่งที่ไม่น่าเห็นเลยใช่ไหมแล้วก็ได้ใจปลื้มใจไหมตรงนี้ โอทุกใจเหลือเกินใครมาแก้พาวิ่งก่อนนาเรนโอ้โห <c oughs> ลักษณะอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าไม่มีศีนนั้นศีลก็มีการสมาทานตั้งอยู่นี่แหละเป็นลักษณะนะศีลเนี่ ย, ยมีการละเว้นหรือมีการสมาทานมีคำว่าสมาทานนั่งสมาทานนังเนี่ยก็คือการตั้งอยู่กายกรรมวจีกรรมและอาชีพที่ตั้งอยู่ ที่ไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกรนะจายนั่นไม่สั้นไปด้วยความเป็นผู้ทู่ศีลเขาเรียกว่าตั้งไว้ด้วยดีกายก็ตั้งไวด้ดยดีวาจาก็ตั้งไว้ดีอาชีพก็ตั้งไว้ด้วยดีก็จะเป็นปกติเนะีเป็นไปกักุศลมีตัวศีลกํากับพฤติกรรมทางกายทางวาจาอาชีพเนี่ยให้ตั้งไว้ด้วยดีทําให้ไม่กระจัดกระจายไปเช่นทุ่ศีลเนี่ยความเป็นผู้ทุ่ศีลเนี่ยฆ่าสัตว์รักทรัพย์เป็นต้นอะไรเนี้ย น, นี้ก็เรียกว่าตั้งไว้ไม่ดีพูดเท็จ ส, ส่อเสียดคำหยาบเนี่ยผมคือวจากรรมนี้ตั้งไว้ไม่ดี อาชีพที่หลอกลวงเขาเป็นต้นเนี่ยนี่อาชีพที่ตั้งไว้ไม่ดีฉะนั้นศีลก็จะบอกว่าสมาทานก็แปลว่าตั้งไว้ด้วยดีสมาทานนั้นอุปาทารานังก็คือเป็นภาชนะรองรับเป็นฐานรองรับคุณธรรมเบื้องสูงคุณธรรมคือสติปัฏฐานสมปภิธานเป็นต้นเนี่ยก็จะอาศัยศีดนี่แหละเป็นเป็นเป็นที่รองรับเหมือนพื้นแผ่นดินก็ดีเหมือนพื้นห้องนี่ก็ดี รองรับทําให้พวกเราสามารถมานั่งสนทนาธรร ม, มได้นี่ก็เรียกว่าเขาเขาาเป็นเขาเป็นอุปธาราณังก็คือหมายความว่าเขาเป็นฐานรองรับทําให้เราสามารถกระโดดได้เต้นได้หรือทําอะไรได้เป็นต้นคนนี้สมุดสมุนก็นคนเขาถวายท่านเป็นที่หัวใจอะไรก็ได้แล้วคนมีคนยิ่งเยอะมาอยู่ในนั้นยิ่งบุญเยอะหรือว่าเท่ากนยิ่งบุญเยอะคนเยอะยิ่งบุญเยอะใช่จ้ ของเขายิ่งเอาไปใช้ประโยชน์ได้มากเท่าไหร่กุศลก็ยิ่งมากเท่านั้นมีเป็นอย่างี้เดี๋ยวจะมาแจกแจงรายละเอียดเรื่องทานแล้วพวกเราจะเห็นความละเอียดอ่อนว่าโอ้ยมีรายละเอียดที่น่าทำสมมุติว่ามีห้าคนที่สร้างกุศินี้ทุกคนได้บุญเท่ากันต่ว่าสมมติว่าบุญนี้คนถูกสูงขัง้นคนเดียวสร้างกุศินี้จะได้หนึอยเปอร์เ็บุญถ้าเกิดมีห้าคนก็ได้หนึ่งเท่ากันตัวแบ่ง อ๋อเหมนมันเรื่องบุญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเรามีความทั้งมองในลักษณะนี้เหมือนแสงแสงเทียนคนมีเทียนอยู่เล่มหนึ่ ง, เ อ, งเอาไปมาจุดสวา่างไหมไอ้คนนึ่งก็มีเทียนมาจุดอีกสว่างเท่ากันไหมเอออยู่ที่เทียนเล็กเทียนใหญ่ก็ว่างแต่มีความสว่างนั่นมันจะยิ่งสว่างมากขึ้น ย, ยิ่งกระจายไปมากเท่าไหร่ยิ่งให้คนโมทนาเท่าไรความสว่างก็จะมากเท่านั้นสามารถทําให้โลกใบนี้ทั้งใบสว่างสวยัยทุกคนถือเทียนคนละเล่มลเล่มทำอยูนี่ยกำลังของกุศลมันก็จะกระแพยขยายไปอย่างนั้นแหละอาศีลนบรารมีก่อนนะมีการสมาทานเป็นคือการตั้งอยู่นี่แหละเป็นลักษณะแล้วก็มีการทําลายความทุศีลหรือความไม่มีโทษเป็นกิจเป็นหน้าที่ นั้นวาสีนเกิดขึ้นก็จะทำลายอะไรทำลายความเป็นผู้ทุ่สีลความไม่มีศีนทำลายกายยะทุจริตวจีทุจริตโมโนโทุจริตเนี่ยนะทำลายพวกทุจริตทั้งหลายนี่นั้นสีนเวลาเกิดขึ้นมาแล้วก็มีหน้าที่ทำลายทำลายอะไรทำลายสิ่งที่ไม่ดีในกระแสชีวิตออกไปพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางวาจาและอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์จะถูกถทำลายด้วยสีนี่แด้วยเจตนาศีนเจตสิกสีนสังวรศีนี่แหละอวิติกมาสสีนคือการไม่ก้าวล่วงการไม่ละเมิด ก็จะไปทำลายงั้นคนมีสี ย, ยังดูงดงามนั่งก็สวยนั่งก็ดูงามไม่ซัดสายสายตาก็ทอดลงต่ำํำดูงามมากไอ้คนไม่มีสีนเนี่ยไปนั่งที่ไหนก็ลุกลี้ลุกลนฟุ้งซ่านกินเนี่ยคือกายมันเกลื่อนก่นการมันกระจัดกระจายตลอดเดี๋ยวเจอมดก็ไปบีมมดอมันคิดเบียดเบียนก็ไปช่วยคนไม่มีสีนเนี่ยเคยเป็นไหม พอ เ, เห็นอะไรหมันใต้ไปเรื่อยเลยเนี่อยากจะบีอยากจะไปแกล้งเขาอยากจะไปอะไรเขาเนี่ยคนไม่มีศีลเนี่ยกายกรรมมันจะไปเบียดเบียนคนอื่นประทุษรายคนอื่นวจีกรรมก็จะพูดเบียดเบียนคนอื่นประทุษรายคนอื่นตลอดในเรื่อชีพก็เบียดเบียนคนอื่นเห็นไหมการไม่มีศีลเนี่ยมันมันเกลื่อนกล่นมันกระจัดกระจายมันสซ่านไปด้วยความเป็นผู้ทุศีลแต่พอมีศีลมากํากับปุ๊บรักษาและสมาทานทํากายทําวาจาทำอาชีพนั้นเนี่ยให้ตั้งไว้ดวยดี นั้นเวลาถ้าศีลมันเกิดขึ้นจริงๆนะมันทำลายเลยทำลายอะไรทำลายความเป็นผู้ไม่มีศีลทำลายความทุศีลพอจะล่วงละเมิดปุ๊บนี่มันทำลายลทันทีไอเจตนาเนี่ยมันมีจะมีเจตนาที่เป็นอกุศลอย่างเช่นมีเจตนาในการจะบี้มดให้ตายใช่ไหมจัดการมันเสลยมโกรธมากเลยวันลงไปมันกินอาหารเรานี่วะเราไปนึกว่าโอ้โหเราห่วงอะ่ะพอเห็นมันขึ้นมาบนตโต๊ะโหโกรธใหญ่เลยเขาอแบอกบี้บี้มันเนี้ยนะ พอแต่พอศีลเกิดขึ้นมาปุ๊บเอ๊มันทำลายเลยไม่เอาเอ๊ขาก็มีชีวิตจิตใจเราก็มีชีวิตจิตใจถ้ามีใครเอาไม้มากวาดหัวเราเราโกรธเลยอ่ะนี่เราปัดเขากระเด็นเลยถ้ามีใครมาจับเราโยนกระเด็นกระเด็นงั้นเราจะเจ็บขนาดไหนเนาะแล้วใ่ไหมเนี่ยอย่างนั้นเลยโอ้โหเขาก็มีชีวิตจิตใจเขาก็มีพ่อมีแม่เขาก็มีลูกเขามีปู่ตาย่ายยายทำไมเขาต้องเบียดเบียนเขาด้วย โอเราอาสายความที e ee. E ee! ่เราเป็นมนุษย์เราไปเบียดเบียนเขาไม่สมควรกับเราเลยเนี่ยมันตัดรอนบาปอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะตัดรอนจริงๆเนี่ยมันทําลายความทุศีนจะเพ่งมองเขาด้วยความโกรธไม่เพ่งนะโอ้โออเขาไม่รู้เรื่องจริงๆนะเนี่ยเขาไม่รู้ว่าของใครเขาก็หากินเขาเขาก็เดือดร้อนเขาแล้วก็มีชีวิตอยู่เพียงนิดเดียวเขาก็ตายแล้ว แต่ถ้าเราไปทําเขาเนี่ยไปตัดรอนชีวิตเขาเลยนะแทนที่เขาจะมีอายุอยู่ห้าวันเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยสิบห้าวันเนี่ยเราไปตัดรอนเขาให้ชีวิตเขาตกไปก่อนกําหนดลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกบาปเหมือนบางศาสนาเนี่ยไปเชื่อดอัวเาไปเชื่อพวกชีว้ชี้ชไปอยู่กับพระเจ้าของเขาอย่างเงี้ยบอกว่าแหมระหว่างนั้นที่เขาทาอย่างเงี้ยเขาช่วย เขาช่วยมันตายเร็วๆมันจะได้พ้นทุกเออมันคิดอย่างงี้นะจะคิดอย่างนี้ผิดหรือถูก อ, ะอ่ะอ่าถ้าเห็นเจ้าเนนแชมป์บอกเออเนนแชมป์มันลําบากว่ามีดมาเชือดคอมาเส้เลยแล้วก็ชี้ไปอยู่กับพระเจ้ามันจะได้พ้นทุกคิดอย่างเงี้ยคิดผิดหรือคิดถูกนคือผิดคือถูกก็ผิดเต้ มนุษย์เนี่ยเขาเป็นอยู่ได้เนี่ยชีวิตของเขามาด้วยกรรมของเขาเขาควรจะอยู่ได้ตามตามตามกำลังบุญกําลังกุศลของเขาเนี่นี่เราไปตัดรอนเขาให้มันขาดตกไปก่อนกําหนดอย่างเงี้ยเขาเรียกปณัิบาตรปาติหารคือทำให้ตกไปทําให้ชีวิตเขาตกไปก่อนกําหนดมีเจตนาชั่วร้ายในการที่ฆ่าเขาฉะนั้นไ อ, เเนาอา้เวรเจตนาอกุศลเวรเจตนาชั่วร้ายตรงเนี้ยมันจะถูกตัดรอนได้ตัว วิรตีตัวสีนี่แหละตัววิรัตก็จะงดเว้นก็จะทำลายความคิดแบบนี้ถ้าสมสมติว่ามีคนตายแล้าตายเรียบอยแล้วเเข้ารีบอยแล้วอยู่ในหลนุีศยเราไปส่รับได้เขาบอกบอกบาปแต่พอตายแล้วนะเออก็บาปตรงที่เรามีจิตโกรธเกิดขึ้นนั่นเองจิตทิประทุจร้ายเกิดขึ้นนั่นเองเหมือนเราคิดเนี่ยเราไม่พอใจเนี่ยเราไม่พอใจต้นไม้เนี่ย บาปเกิดกับเราไหมโกรธหิดิหรือเกยในต้นไม้ต้นนี้เกลียดมันมากเลยอยากจะตัดมันทิ้งทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีชีวิตเลยไอ้ความโกรธมันก็เกิดขึ้นกับเราบาปก็ต้องเกิดอยู่แล้วไอ้ความโกรธก็คือบาปจิตทิพเป็นต้นสลายคือบาปมีความไม่มีโทษเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นกิจมีความสะอาดจากบาปเป็นผลนะก็คือกายก็สะอาดวาจา ก, ก็สะอาดกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดอาชีพก็บริสุทธิ์ กายวาจาใจด้วยนะจิตใจก็สะอาดด้วยการที่ไม่มีกิเลสเข้าไปเกลื่อกลัวนี่แหละเป็นผลปรากฏแล้วมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปเป็นเหตุใกล้ฮีโอตาปาเป็นเหตุใกล้ของศีล น, นะงั้นคนที่มีความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปคนเหล่านี้จะไม่กล้าทําชั่วจะเป็นตัวกระตุน้นเตือน บางทีก็มีศรัทธาด้วยนะมีศรัทธาในพระรัตนตรัยก็ได้แต่จริงๆเลยตัวใกล้ชิดจริงๆก็คือความระยต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวกระตุ้นเตือนกระแสความคิดตลอดเวลาเป็นเหตุไม่ให้ไม่ล่วงละเมิดอันนี้ศีลและบา ร, รมีก็จะเกิดขึ้นในลักษณะนอย่างนี้เข้าใจนะอิธานและกระสีต่อไปเนคขมะเนคขมะก็มีมีจิตนะการมีจิตออกจากกามออกจากภพ คือมีการเห็นโทษของการมและภพทั้งหลายก่อนโดยการมีกรุณาและปัญญาเป็นตัวกํากับอยู่เออมีความคิดอย่างนี้นะว่าไอตัวกรุณาเนี่ยสงสารสงสารชีวิตของสัตว์ทั้งหลายปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ติดข้องในภพการติดข้องในภพทั้งหลายเหมือนติดคุกอยู่เนี่ยเหมือนคนที่ติดคุกอยู่วันวันนึงก็จะแหละหลงมัวเมากันอยู่ในการในคุกในสังสารวัฏนี่แหละอย่างนี้เป็นต้น แล้วประการต่อมาคือมีปัญญาที่มีความรอบรู้นี่แหละเป็นตัวคอยวิจัยแยกแยะนั้นลักษณะอย่างนี้นะมีความสลดใจเกิดจากการเห็นไตรลักษณ์จะเป็นเหตุใกล้ด้วยนะเนคขม่าเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็คือมีการออกจากกามมาพบรูปภพนี่แหละเป็นเป็นลักษณะมีการออกจากตามเป็นลักษณะประการต่อมามีการประกาศโทษของกางเป็นกิจนั้นคนที่มีเนคขม่าเนี่ย มีสภาพจิตใจอย่างนี้ก็ประกาศโทษว่าการเนี่ยมันมีโทษอย่างไรรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะอันหน่าปรารถนาหน้าไข่สําหรับคนมัวเมาทั้งหลายเหล่านี้มันมีโทษเช่นถามมันมีโทษไหมการมีบ้านมันก็มีโทษใช่ไหมการมีทรัพย์มันก็มีโทษการมีบุตรมีภรรยามีสามีมีพ่อมีแม่ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นโทษแห่งการที่จะต้องคอยดูแลรักษาประคบประงมแล้วในที่สุดจริงๆก็ไม่สามารถจะจัดแจงมันได้จริง แล้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันปลุกมาตลอดมันสร้างปัญหามันก่อโทษก่อทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยและเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลยที่จะไม่รับโทษทันกับมันจะไม่รับความเจ็บปวดพ่างั้นงั้นการไปเกี่ยวข้องกับกางมาคุณแต่ละครั้งแต่ละครั้งเขาจะนึกอุปมาไงอุปมาเหมือนอะไรเหมือนกับใบมิตโกลเนี่ยจุ่มน้ําผึ้งเอาใบมิตโกลคลุมๆเนี่ยจุม่มนะมีน้ําผึ้งติดอยู่หยดแหมะมเนี่ยนี่เราอยากจะเลีย จะเรียกินน้ําผึ้งจะมาเรียไม่เป็น เ, เนี่ยไปเรียเงี้ยเรียกตะงคมมันพอดีฟึดขาดไหมลิ้นขาดด้วยได้รสหวานด้วยไหมได้ด้วยนิดนึงแต่เจ็บปวดเั้นเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกับการทั้งหลายมันมีโทษอย่างนั้นแหละการ ม, ม, มันมีโทษมันมีทุกข์มากมีความขับค้องมากโทษของการมีมากอย่างยิ่งพวกนั้นเถอะมันเหมือนอะไรดีมันไม่รู้จึงอิ่มข้าอุปมาเหมือนสุนนะัขก็เห็นสุนนะัข สุนัขเวลามันแทะกระดูกที่มีเนื้อติดอยู่นิดเดียวถามจะอิ่มไหมเนะี่ยบางทีมันแทะทั้งวันแทะจนฟันหลุดเลยนะแทะกุึบๆๆๆๆเนี่ยคันที่อุปม า, าบุตรก็ดีภรรยาก็ดีซับก็ดีน่ะเหมือนไอ้ก้อนกระดูกบางคนก็มีหลายก้อนมากห่วงไหมหมาตัวนั้นห่วงไหมห่วงใช่ไหมมีกระดูกวางไว้เป็นชิ้นๆๆเนมันห่วงอ่ะกําลังแทะแทะแทมันจะมีหมาหรือสุนัขตัวอื่นมานี่นะโอ้โหมันจะกัดเราเลยแล้วก็วิ่งมาแทะต่อ มันอร่อยน้ําลายมันเลยมันอิ่มไหมแต่มันอร่อยไหมเออมีน้ําลายกั่วอยู่มันก็เลยงีงเงๆ้ยงมันแท้จริงเลยก็เห็นไหมล่ะลองกระดูกให้มันแท้ทีมันจะแท้โอ้โหมันชอบใจมากเลยและในขณะเดียวกันก็หวงนี่ก็เหมือนกันคนที่หวงบุตรหวงภรรยาหวงสามีหวงทรัพหวงเจติยศชื่อเสียงก็เหมือนสุนัขที่แหละแท้กระดูกมีกระดูกหลายชิ้นก็หวงไม่กล้าสละกกระดูกชิ้นนั้นให้ใครหรอก กล้ไม่เล่าดังหวงอยู่หวงไม่หวงเนี่ยเขาประกาศท่าเนกรรรมะก็จะประกาศโทษขึงการนี่เลยเป็นกิจเป็นหน้าที่เลยว่างั้นเถอะและมีความสังเวชสลดใจเป็นมีความหันหลังจากเป็นผลก่อนนะหันหลังหันหลังจากเ อ, อกามนี่แหละเป็นเป็นผลหันหลัง หลังจากเห็นโทษนั่นแหละเ ป, เ, ปเป็นผลปรากฏแล้วพอเห็นโทษปุ๊บมันจะไม่สนใจแล้วหันหลังอาการที่กล้าที่จะทิ้งกล้าที่จะตลาแล้วมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีความสังเวคะมีความสลดใจเป็นเหตุใกล้โอ๊ยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยมันจะสลดใจทันทีเลยสลดในที่นั้นเป็นชื่อของโอตะปาที่เกิดร่วมกับปัญญาสะดุ้งกลัวตัวบาปด้วยแล้วกม็มีปัญญาไปพิจารณ า, าเห็นโทษด้วยแล้วกเกิดความอาถรรพ์ ล่าเริงขึ้นมาชื่นใจที่ตัวเองสละสิ่งเหล่านี้ได้เออมันจะชื่นใจไ อ, อ้ความว่าสลดใจในที่นั้นคืออาถานพ์ล่าเริงมากในการที่ได้สละสิ่งเหล่านี้ได้มัน เ, เป็นอย่างนี้นะนั้นได้สละกามได้สลดวัต ถ, ถุ ก, กามได้สละกิเลสกามได้เนี่ยเขาชื่นใจมากเลยที่เขาได้สละได้รู้สึกเขาอาถานว่าเออเขาได้พัฒนากระแสะชีวิตเขาไปได้ระดับหนึ่งแล้วอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อไปปัญญาป ร, รมีก็คือมีความรู้ลักษณะ ที่ทั่วไปและลักษณะพิเศษของธรรมทั้งหลายเนี่ยปัญญาบารมีมีความเห็นแจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงนี่แหละเห็นแจ้งโดยไม่ผิดพลาดด้วยไอตัวปัญญาบารมีก็คือแทงตลอดสภาวธรรมทั้งหลาย2 ส, ส่วนนะความรู้ลักษณะที่เป็นไปและลักษณะพิเศษของธรรมทั้งหลายคือรู้ทั้งสามั ญ, ญลักษณะคือลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเนี่ยกับลักษณะเฉพาะตัวลักษณะเฉพาะตัวของสิ่งนั้นๆ เช่นรู้ว่าไอ้ความโกรธมีลักษณะอย่างไรความโกรธเกิดขึ้นก็ทํากิจทําหน้าที่อย่างไรแล้วอาการปรากฏของความโกรธเป็นยังไงเหตุเกลดของความโกรธเป็นยังไงเป็นต้นเนี่ยนี่เขาไปสามารถไปรู้เฉพาะตัวของสภาวะธรรมนั้นนได้ด้วยปัญญาจะเป็นลักษณะแบบนี้ปัญญาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีแสงสว่างนีตามวิสัยเป็นเป็นกิจก็หมายความว่ามีความเห็นแจ้งแทงตลอดตามสภาวะความเป็นจริงเนีย หรือมีการเห็นแจ้งโดยไม่ผิดพลาดในการแทงตลอดเหมือนลูกธนูที่นายพานเนี่ยหรือนายเป็นผู้ชำนาญยิงไปอย่างนั้นแหละเป็นลักษณะและการส่องให้เห็นความจริงเหมือนประทีณ เ, เป็นหน้าที่เวลาไปเห็นความจริงพบเนี่ยประดุดดังแสงสว่างมันเกิดขึ้นมันส่องให้เห็นความจริงให้สามารถเข้าไปเข้าถึงความจริงได้คือได้ความรู้ได้ความจริงที่ชัดเจนมันจะไม่ติดอยู่ที่ความเห็น ถ้าปัญญาเนี่ยจะพัฒนาเลยความเห็นไปเข้าสู่ความจริงใช่ไหมความรู้แล้วเป็นความจริงที่แท้จริงเลยแต่ถ้าเป็นไม่ใช่ปัญญาเป็นยิฐีมันก็จะอยู่แค่ความเห็นใช่ไหมมันสามารถแยกได้ทุกวันได้เริ่มแยกได้อย่างระหว่างความเห็นกับความจริงใช่ไหมนั่นแหละฉะนั้นปัญญามันจะเข้าไปรู้ถึงความจริงและไปเห็นความจริงมันประดุดดังว่ามีส่องให้เห็นแหะมีการส่องก็คือแสงสว่างนั่นแหละให้เห็นความจริงเหมือนดังประทีปนั่นแหละ ดังปฏิบสว่างโพรงขึ้นมาเข้าใจความจริงทันทีเลยอันนี้ไม่ได้ติดอยู่ที่ความเห็นแล้วก็จะแ ย, แยกแยกกันได้ว่าอ๋อปัญญาเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เป็นหน้าที่มีความไม่หลงเนะาวราวกับผู้นำทางในป่านั่แหละคือดุดดุดมักคุเทศที่ชำนาญทางในการพาเดินปางป่าอาการปรากฏของปัญญาจะเป็นแบบนี้ เหมือนเหมือนมคุเทศเลยมัรคุเทศนำทางได้เดินทางในป่าได้โดยไม่หลงอันนี้ก็เหมือนกันเวลาผลปรากฏของปัญญาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนำจิตได้จิตไม่ติดอัดไม่อัดไม่อึดอัดไม่อัน้นไม่ตันสภาพจิตก็ไหลได้คิดอะไรไปโอ้โหโปร่งโล่งเลยนะนำจิตไปได้คล่องเลยน้ำจิตเข้าสู่การปฏิบัติได้ถูกต้องเช่นเวลาให้ทานเนี่ย ม, มัน ม, มึนไม่รู้เรื่องจะให้ยังไงเนี่ยแต่พอปัญญามาปุ๊บโอ้โห <ogens vor. S 2> โลกงไหมปฏิบัติการให้ทานได้ยังถูกต้องเลยอ๋อคือการให้อย่างนี้ว่าให้วัตถุทานสระนอกสละในเป็นยังไงให้ทานในแบบประเภทที่เป็นฉันท่าทานังเป็นยังไงให้เดี๋ยวลเอียงพ่อรักให้เดี๋ยวเอียงพ่อโกรธให้รำเอียงพ่อหลงให้รำเอียงพ่อกลัวอ๋อเป็นอย่างนี้ให้ตามประเพณีเป็นอย่างนี้ให้หวังสุคติโลกสวรรค์เป็นอย่างนี้ให้แล้วสบายใจเป็นคราวเป็นอย่างนี้ให้แล้วพอประดับจิตตกแต่งจิตปรุงแต่งจิต พัฒนาไปสู่ศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญาไปสู่สมถะสู่วิปัสนาเป็นอย่างนี้โอโ้เข้าใจชัดเลยเนี่ยเอกปัญญาจะส่องแสงสว่างไม่พอเป็นประดุดดังมักคุเทศชํานาญนําทางคนหลงทางเ อ, อจิตมันหลงมันไปไม่ได้แต่พอมีปัญญามาพบปัญญานํำเลยนำจิตทําให้ไม่หลงแล้วทให้คล่องแคล่วเลยคิดอะไรออกหมดเลยเนี้ยนะหลายๆายคนมึนๆงงๆในชีวิตเนี่ย ไม่รู้จะดาเนินชีวิตยังไงแล้วก็เอาความรู้สึกไปฝากไว้กับคนอื่นเนี่ยเอาเชื่อคนอื่นแม่บอกให้ทำอะไรก็ทำพ่อบอกให้ทำอะไรก็ทำเพื่อนบอกให้ทำอะไรก็ทำมันไปมึนๆงงๆนั่นแหละเพราะอะไรเพราะยังไม่มีปัญญาวันใดวันหนึ่งที่มีปัญญาปุ๊บโอ้มันนำไดแล้วเนี่ยปัญญาก็นำจิตเลยนำจิตเนี่ยเออสามารถให้ทานก็มีปัญญานาประพฤติในศีลก็มีปัญญานาด้วยจะไหม เพืชป่ายกายสุจจริตวจีสุจริตอาชีพที่บริสุทธิ์ยังไงมีปัญญานํากายกรรมวิจิกรรมเนี่ยคิดอดีตอนาคตทั้งหลายปัญญานําทุกเรื่องเลยอะไเนี้ยเฉะนั้นถ้าใครสามารถมีปัญญานําทุกเรื่องได้โอ้โหสุดยอดไหมนี่แหละปัญญาจึงกลายเป็นเหมือนมักคุเทศเป็นผู้ชํานาญนําทางใช่ไหมเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีพวกนี้แหละพวกไก่พวกมักคุเทศเนี่ยพวกนี้โอยนําทางเราทําให้เราไม่หลงไง อธิบายใหญ่เลยตรงนี้คืออะไรอะไรอธิบายห่ดแหละปัญญาเป็นอย่างนั้นปัญญาเหมือนมรุเทศแต่ก่อนอาจารย์ไปไปที่พมาเออมรุเทศมันก็นําใหญ่มันก็พาไปเจอมรุเทศมึนมรุเทศมันก็บรรยายประวัตินนะมันก็บรรยายบรรยายมันรู้ว่าเออเราคงไม่รู้มั้งที่ไหนได้เรารู้ไปก่อนมันก็พูดพูดไปเลยเราเออไอ้นี่เกินไปแล้วเกิน อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้พ่อขอโทษครับขอโทษครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอ้ น, นีมักุเทศไม่ดีเน้นะถ้าเรารู้และเราเข้าใจเบีดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เอาความเชื่อไปฝากไว้อีตัวเนี่ยนะแต่ให้ปัญญาเนี่ยสาคัญมากฉะนั้นมนุษย์เนี่ยถ้าทําปัญญาเกิดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยโอ้โหชื่นใจไหมจะเป็นคนที่ไม่ติดขัดไม่ติดข้องมองอะไรก็แก้ปัญหาเนี่ยคนที่ไม่มีปัญญาเนี่ยพอเห็นอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บแก้ปัญหาไม่ได้ติดขัดคับข้อง ติดตันไหมเช่นไปเจอปัญหาปุบขึ้นมาเนี่ยไปไม่เป็นแล้วไม่รู้จะออกทางไหนไม่รู้จะพูดยังไงไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้จะคิดยังไงวางท่าทีทางใจไม่เป็นอะติดตันหรือเปล่าจิตก็อ่านไปไม่ได้หลายหลายคนก็เป็นอย่างนี้บางคนเนี่ยเขาให้ไปทํางานกับพ่อเป็นไงแครหลูกนอก้องเขาพี่แหละไปงอกงอกงอกไปเขาให้ทําแค่ไหนจะทําแค่นั้นแล้วก็กลับมาเนี่ยเห็นไหมมันได้แค่นั้น แต่บางค น, นได้มากกว่า น, นั้นไม่ใช่เราแค่นี้ไม่ได้ต้องพัฒนาต่อที่ปัญญามันเป็นอย่างนี้แหละงั้นปัญญาเนี่ยมันจึงมีความไม่หลงราวกับผู้นำทางในป่าน่แหละเป็นผลปรากฏและอะไรล่ะเป็นเหตุใกล้ของปัญญาสมาทิพิคเวบาเวถาสมาัโยโทยะถาโูดังประชานมาธพระเจ้าดูก่อนพิการณทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิ เมื่อภิกษุหรือบุคคลมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงเออสมาธิจึงเป็นประทัดฐานเป็นเหตุใกล้ของปัญญาเออถ้าอยากจะมีปัญญาไม่ยากแล้วแต่นี่ยก็ทำจิตให้เป็นสมาธิไม่พ้งสร้างและมีอะไรอีกมีอริยสัจสีเป็นเหตุใกล้ด้วยโ อ, อมีทุกมีตัวปัญหาเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของปัญญาฉะนั้นคนที่ต้องการอยากจะให ปญาเกิดมันก็ฝึกวิจัยเอาปัญหามาคบคิดบ่อยๆใช่ไหมเอาตัวทุกข์เอาตัวปัญหามาคบคิดบ่อยๆว่าเออปัญหานี้จะทํำยังไงจะแก้ไขยังไงอะไรนะเป็นเหตุของปัญหาเนอะสามารถรู้จักปัญหารู้จักสโคบของปัญหาแท่ไหนอย่างไรรู้จักขอบเขตของปัญหาอะไรเป็นเหตุของปัญหารู้จักความดับของปัญหารู้จักว่าวิธีการที่จะดําเนินไปสู่การดับปัญหาอย่างนี้เป็นต้นอ่ะยกตัวอย่างเช่นเอาไงเดีย เคยเห็นไฟถ้าไฟมันไหม้ไอ้ไฟไหม้เนี่ยมันเป็นปัญหานะเป็นตัวทุกข์ตัวปัญหาเยอะไหมไฟเนี่ยเออแล้วอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ไฟมันติดขึ้นมาไฟมันไหม้ขึ้นมาเออเหตุของไฟมีหลายอย่างเนี่ยไอ้ฟืนแห้งๆก็เป็นเหตุของไฟน้ํามันก็เป็นเหตุของไฟเยอะไหมทำให้ไฟติดได้ทั้งนั้นก็พวกเนี้ยเชื้อเพลิงพวกเนี้ยตลอดถึงอากาศที่แห้ง ใช่ไหมอากาศที่แห้งใบหญ้าบางไม้แห้งๆบางกลุมเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงตลอดถึงพวกน้ำน้ำมันเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงของไฟทั้งหมดเลยอ๋อไฟนี่เป็นปัญหาไอ้เชื้อเพลิงทั้งหลายเหล่านี้เป็นเหตุของของปัญหาไอ้นี่เอาละทีอะไรจะดับไฟได้เอาน้ำใช่ไหมน้ําก็ดับได้หรือไอ้ตัวถังถังดับเพลิง ทั้งดับเพลิงเวลาใช่ไหมเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยมันไปไม่ให้มีอากาศนี่นั้นใช่ไหมมันก็สามารถทําให้เชื้อเพลิงในรูปไฟมันดับได้เป็นต้นเออเนี่ยเราก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมเราหาหนึ่งปัญหาคือไฟ2 ส, สมุทฐานของเขาคือเชื้อเพลิงทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้เออไอ้ถ้าดับได้ใช่ไหมดับไฟนี่ได้อันนี้เป็นเป็นการดับปัญหาดับทุกทีนี้ วิธีการนี่โอ้โหใหญ่เลยนี่เป็นมัดปริมาณของปัญหาแค่ไหนเอาถ้าไฟมันไม่ตลาดทั้งตลาดเนี้ยโอ้โหเนี่ยใช่ไหมสาเหตุของมันก็คือนุนตลาดทั้งตลาดเชื้อเพลิงหมดเลยอะไฟแห้งๆทั้งหลายบ้านแห้งๆทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นน้ําันน้ำมันในนั้นถังกุง้งถังแกในนั้นน่ยล้วนจะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีกาลังไหมจุ่มๆจุ่มๆโอ้นี้เรื่องใหญ่แล้วเรื่องใหญ่แล้ว จะใช้เอาไอ้ถังดับเพลิงเล็กๆไปไปิดปิดปิดนี่วิธีการนี่ไม่พอไม่พอโอ้โหต้องต้องน้ำรถ ด, ดับเพลิงโอ้โหถึงขนาดว่าบางครั้งช่างใช้หอใช้เครื่องบินบินขึ้นไปแล้วก็ลอยสารตัวนี้ลงมาไอ้สารที่จะสามารถทำให้ไฟมันดับเลยอยงี้เลยเนี่ยวิธีการตรงนี้เขาเรียกมาร์กยอะไรยังไงที่จะสามารถไปดับปัญหานั้นได้ข้อปฏิบัติในการดับปัญหานี่ก็เหมือนกัน ถ้าเรามองอย่างนี้ออกแล้วก็วอ๋อไอตัวอริยสัตว์สี่ทุกเลยเหตุที้เกิดทุกเลยความดับทุกเลยข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกอันนี้เป็นเหตุใกล์ของปัญญาเราบอกอ๋อมนุษย์ที่สามารถขอบคิดวิจัยแยกแยะอะไรมากๆจะเป็นคนมีปัญญาคิดปัญหาคิดเหตุของปัญหาพอเห็นอะไรแต่ละเรื่องปุ๊บก็คิดทันทีอ๋อเนี่ยพอเห็นถังเห็นแท้งนี่ปุ๊บก็ไอแท้งนี่มันจุน้ําได้ประมาณเท่าไหร่ เดี๋ยวเขาทำยังไงเนี่ยเอาเลยชักอยากจะรู้ขึ้นหมดเห็นไหมมันอยากจะรู้อยากจะวิจัยเห็นอะไรมันอยากจะเข้าไปเจาะลึกว่ามันทำยังไงยังไงยังไงเนี่ยลักษณะนี้ก็คือปัญญาเนี่ยพระโพธิสัตว์ท่านจะบำเพ็ญปัญญาบารมีทั้งทางโลกและทางธรรมก็มีปัญญาแก้ไขทั้งหมดก็คือมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาให้กับมนุษย์นี่แหละมองเห็นได้ยังเดียเ๋ยวนี้มีปัญญาสำคัญไหม ต่อไปวิริยะบา ร, รมีมีการขวนขวายที่จะทําประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยกายด้วยใจด้วยกายด้วยด้วยใจนั้นวิริยะบา ร, รมีเนี่ยก็คือนะความเพียรเนี่ยนะความเพียรมีอุตสาหะเป็นลักษณะนะมีความพยายามเป็นลักษณะขวนขวายลักษณะวิริยะเนี่ยก็คือการวีระคือกล้ามีการก้าวไปใจสุขเห็นไหมว่า พอปัญญามาแล้วเพียนได้หรือยังเพียนได้แล้วถ้าปัญญายังไม่มาห้ามเพียนเพียนโดยไม่รู้เนี่ยห้ามไม่ใช่ว่าโอ้โหไม่รู้ไปทางไหนเพียนไปก่อนเนี่ยเช่นยังไม่รู้ทางเลยบางคนวิ่งวิ่งรถไปเนี่ยอ้าวลองไปดูว่างั้นเคยเป็นบ่อยแบบนี้สุมส่มๆไปดูว่ะงั้นไอ้แบบเนี้ยไม่ดีมักจะเสียเวลาใช่ไหมแทนที่ดีเวลาจะเดินทางต้องศึกษาเส้นทางก่อนไหม เออต้องศึกษาเส้นทางจะทําอะไรก็ศึกษารายละเอียดก่อนคือให้มันรู้ให้ ม, มีปัญญาเกิดก่อนแล้วค่อยเพียนตามมาอันนี้เล่นเพียนก่อน อ, อไม่ดีเสียเวลาเวลาเสียโอกาสแย่หมดงั้นเมื่อมีปัญญาแล้วก็มีความพยายามเป็นลักษณะอุตสาหานี่แหละทีนี้มีอะไรมีโอกาสอุปถัมภ์มีการสนับสนุนเป็นหน้าที่ไอ้ความเพีย น, นวิริยะเนี่ยก็จะเป็นตัวค้า ฉั้คนที่มีตัววิริยะบา ร, รมีเนี่ยเวลาไปเจอปัญหาปุ๊บหรือไปเจออุปสรรคปุ๊บขึ้นมาเนี่ยเวลามันจะถอยมันจะมีกองทัพหนุนค้ำไว้ไม่ให้ถอยรุดไปข้างหน้าเอออย่างเนี้นะหรือบ้านเนี่ยบ้านเก่าๆ เ, เวลามันเสืเส่มันจะพังเนี่ยมันจะมีไม้ถอ่อไม้คำ้คำเข้าไว้ปุ๊บมไม้แม่ค้ำหรือไม่แม่ล้มเนี่ยวิริยะจะเป็นลักษณะหน้าที่ของความเพียร มันจะมีลักษณะว่าเจอปัญหาพบถอยไหมไม่ถอย <c oughs> ถ้าถอยไม่ใช่เจอปัญหามันจะมันจะลดไปข้างหน้าบุกไปข้างหน้ามันจะมีกองหนุนกองกองทับหน้ากองทับหนุนไอตัววิริยะเหมือนกองทับหนุน เ, เวลาเกิดความท้อใจเศร้าใจทุกข์ใจไม่อยากทําอะไรขึ้นมาเนี่ยวิระนี่อ้ยไม่ได้ปลุกเล้าใจขึ้นมาฮึกเกื้อม้นมาเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องป่าฟันรุดไปข้างหน้า บอกว่าใช้ชนะอยู่ข้างหน้าเออมันมีอเมริกาเขาจะมีสังคมอเมริกันเขาจะบอกว่าเจ้าหนุ่มน้อยเธอจงบุกไปข้างหน้าคือความสำเร็จของเธออยู่ข้างหน้านนท์เข้าสอนกันเนีไอ้คำว่าฟอนเทียฟอนเทียของของภาษาไอ้ของไอ้สโลแกนของของคนอเมริกันเขาเนี่ยเหมือนอการหาเสียงของประธานาธิบดีแคนดี้เนี่ยเขายจะ call new fontrea นะั่คือประวัติศาสตร์ของเขาเนี่ยประวัติศาสตร์ของอเมริกันเนี่ยก็คือเขาบุกไปข้างหน้าฝ่าไปข้างหน้าเพราะเขาหนีภัยมาจากยุโรปใช่ไหมเข้ามาขึ้นฝั่งพอขึ้นฝั่งได้เนี่ยเขาก็บุกฝ่าเลยเนี่ยบุกฝ่าโอ้ยเล่นอินเดียนแดงแล้วหมดเกือบหมดประเทศเนี่ยแล้วสู้อินเดียนแดงไม่พอก็กลัวสเปนตบหลังด้วยนั้นชีวิตเขาเขาบุกฝ่าเนี่นะปีหนึ่งเนี่ยเขาบุกได้10บไมล์เขาบุกอยู่300ปีอ่ะสามพไมล์ ดูในพื้นที่ของเขาจะขนาดไหนโอ้โหเขาบุกได้จนติดฟังเลยว่า ต, ติดคอร์บเลยติดขอบมาสมุดรงลงนั่นถึงนี่เขาบุกขนาดนั้นนะฉะนั้นอัตยาใสาของเขาจึงมีอัตยาใสาที่บุกฝ่าไปข้างหน้านะเขาเรียกว่าฟอนเทียก็บุกฝ่าไปข้างหน้านะถ้าเวลาเขาหาเสียงอะไรต่างๆเหล่ า, านี้เขาจึงเป็นอัตยาใสาของเขาเขาไม่หยอมเขาต้องบุกไปข้างหน้าบุกฝ่าไปข้างหน้าตลอด เนี่ยลักษณะนี้ก็คืออุตสาหะลักษณะอย่างนี้ก็คือลักษณะที่ว่าเหมือนในสนับสนุนหรือบุกไม่ถอยบุกไปเรื่อยบุกไปเรื่อยเขาจึงมีอัธยาใัยในกรณีที่ไม่ยอมไม่ยอดท้อต่อปัญหาและอุปสรรคซึ่งมันต่างอย่างนิสัยคนไทยนะนิสัยคนไทยแบบเนี้ยเรื่อยๆเป่วยๆในน้ำมีปลาในนามีข้าว ไม่รุดไปข้างหน้าไม่บุกฝ่าไม่มัน่นไม่ขยันมั่นเพียรบางทีเราอยากจะเป็นอย่างเขาแต่ก็เป็นได้ครึ่งๆกลางๆคือไปเอาความโก้เก๋ของเขามาแค่นั้นเองไปแค่ว่าเออได้กินขนมอย่างเขาได้ใช้ชีวิตแบบเขาเอะไรเง้หรูๆบางส่วนเท่านั้นเองแต่อัธยาศัยบุกฝ่าไม่มีเลยคนไทยเราแย่แย่มากนิสัยไม่สู้ปัญหาหลบปัญหาหนีปัญหาเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยแย่ yeah. มังออกไหม นี่เราไม่รู้จักเมริการเขาั้นลักษณะวิริยะเนี่ยชัดเลยเนี่ะมีการอุปถัมภ์สนับสนุนเป็นหน้าที่และมีความไม่ย่อหย่อนไม่ย่อนยานเป็นผลด้วยมีความไม่ย่อหย่อนเป็นผลปรากฏแล้วก็จะเห็นชัดลักษณะของวิริยะเนี่ยนอกจากก็คือมีการไม่จมไม่ท้อถอยนั่นแหละนะไม่จมไม่ทอถอยนั้นการท้อถอยเป็นไม่มีหรือจะจมจมอยู่กับเนี่ยไม่มี วิริยะหรือวิวริยะหรือความกล้ามาเนี่ยมีแต่ฮึกเขมขึ้นมาตลอดนีมีอะไรเป็นเหตุใกล้วิรยิยะมีวัตถุที่ปารบความเพียรและมีสังเวสังเวสเป็นเหตุใกล้เออมีวัตถุที่ปาลบความเพียรก็หมายความว่ามีเรื่องที่ทําให้เริ่มมีวิรยนะิยะน่ยหรือความสังเวสเป็นเหตุใกล้โอ้ความแก่ความเจ็บความตายทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้ เป็นเหตุใกล้ถ้าทาให้ฮึกเหิมหมดแหละเออเราตอนนี้อเรายังไม่แก่เดี๋ยวความแก่จะมาปรากฏถึงวาระนั้นเราจะเพียนไม่ได้โอ้โหรีบรีบใหญ่เลยวาระนี้เรายังรู้อยู่ต่อไปในสติปัญญาเราจะเสื่อมถอยลงเราจะสู้ไม่ได้โอ้โหรีบฮึกเหิมใหญ่เป็นตอเ่านี้ตอนนี้มันมีเช้าๆอยู่เดี๋ยวแดดร้อนขึ้นมาเราจะเพียนไม่ได้ฉะนั้นต้องเพียนที่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวอยู่ต้องรีบเร่งความเพียนขนาดนี้มันมันจะมี วัตถุที่กระตุ้นความเพียรแล้วก็จะมีสังเวครสังเวค้ก็แปลว่าไม่ใช่หดหู่ท้อถอยสังเวชศัพท์นี้นั่นแปลว่าปลุกเร้าตัวเองนะกระตุ้นเตือนตัวเองกระตุ้นเตือนตัวเองมีความก ล, วกล้า ม, มีความอาถรรพ์อย่างนี้เป็นต้ออนอภรรยาต่อไปคือขันติบรารมีการเกิดของจิตและความตั้งใจที่จะอดทนต่อความผิดที่สัตว์ทั้งหลายกระทาแล้วมีความไม่โกรธ มีความไม่โกรธนั่นแหละเป็นใหญ่จากนั้นขันติก็เลยกลายเป็นมีความอดทนเป็นลักษณะขันตินี่นะมีมีการข่มก็ได้ขันติมีการขม่ขมข่มทำมากที่เป็นปฏิบักษขันติถ้าแปลความหมายหนึ่งก็แปลว่าการยอมรับได้ด้วยปัญญาเคยได้ยินคำนี้ไหม การยอมรับได้ด้วยปัญญาก็กลายเป็นการทีนได้มาพิจารณาดูวความร้อนเนี้ยว่าเออเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราบอกว่าร้อนแต่ในสังสารวัตเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเจ็บปวดในเวจีเหมือนยอมรับได้และยอมทนกับมันได้เพราะมีปัญญาเห็นว่าเออมันไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นก็มีปัญญาความหนาวเกิดขึ้นแดดลมเกิดขึ้นปัญหาเวสาเกิดขึ้นก็รับมันได้ สามารถรับมันได้ด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจขันติจึงเป็นประดุลดังห้องประชุมคุณธรรมนี้คนมีขันตินี่ประสบประสบประสบความสําเร็จ <c ant y> คนขาดขันตินี่จะล้มเหลวล้มเหลว <c ant y> มีความอดทนต่อสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นหน้าที่นั้นสิ่งที่น่าปรารถนาก็ยอมรับได้ไม่หลงละเริงกับมัน <c ant y> สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นก็ยอมรับมันได้ก็ไม่ไปฟูลไฟกับมัน ยอมรับได้ด้วยปัญญาด้วยความรู้ด้วยเข้าใจเหตุและผลเข้าใจไหมนั้นสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นมาปุ๊บโอ้โ ห, โหเนี่ยขันตีทาหน้าที่ ท, ทันทีทําหน้าที่ว่าเอ้าได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าคนไม่มีขันติเพราะสิ่งที่น่าปรารถนาเกิดขึ้นมัวเมาหรือไม่มัวเมาไม่มัวเมาไปจมเหมือนสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นมาก็ไปเครียดแค้นชิงชังไปโกรธมันเนี่ยลักษณะเงี้ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนไม่มีขันติมองเห็นนี่ยัง รับประการต่อมาคือมีความอดกลั้นนะคือความไม่โกรธเป็นผลขันติต้องไม่โกรธเออมีความไม่โกรธอ่ะอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่าบริษัทจะเห็นชัดนะเออเวลาขันติของพระบริษัทเวลาเกิดขึ้นอย่างที่เล่าเมื่อวานเนี่ยเล่าเรื่องพยาช้างฉัตรถังโดนตัดงานเอออย่างเราเนี่ย เวลาจะถอนฟันต้องใส่ยาชาไหมใส่หรือไม่ใส่ไม่เหลืออันนี้ตอนไปยาชาจะท่านโดนตัดงาออกมาตัดเขี้ยวเนี่ยท่านมียาชาไหมไม่มีเลยลเลือดกบปากหมดเลยท่านกรธไหมท่านไม่กรดเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ก็คือสามารถขมได้อดกลั้นได้มีความไม่โกรธเป็นผล แล้วให้สังเกตดูนะว่าอะไรทําให้ไม่โกรธเพราะมีปัญญาที่สามารถเข้าใจโรคและชีวิตเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเนะี่ยเป็นเหตุใกล้เพราะเข้าใจเมื่อเข้าใจเหตุเข้าใจผลแล้วเนี่ยมันไม่โกรธสิ่งนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปสอนใี่การว่าอดทนอดท น, ดทนไม่ใช่เงี้นนะต้องเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและเรื่องราวนั้นๆให้สว่างให้ชัดเจนก่อนยิงไม่โกรธ มีอยู่พระชาติหนึ่งนะขันติวาทีดาวดบทเคยได้ยินพระชาติที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นลูษีชื่อขันติวาทีดาวดบทตอนนั้นน่ะท่านก็มาถูกพวกอมาศผู้ใหญ่นิมนต์มาให้อยู่ในอุทยานของพระเจ้าวาลานสีชื่อกลาปุกพระเจ้าเป็นดินเนี่ยเป็นพระเจ้าเป็นดินขี้โกรธขี้งดเงียดีชอบชอบกินเหล้ากินเหล้าคลอ เข้าสุลานารีทั้งหลายเลยนี้โอ้ิกิจของพระราชานี่ยเลยมีวันหนึ่งพระราชาโอ้ไปเที่ยวอุทยานหน่อยโอ้โหนางสนมกำ น, นันเต้มหมดเลยแล้วตนเองก็กินดื่มน้าเมาแล้วก็นางสนมกำนันก็แสดงไล่ ล, ลำร้องเพลงใช่มเบสเสร็จตนเองเมาเพราเมาเบสเสก็นอนหนุนตักนี่มีนางสนมกำนันนางครูเมาไปก็ฟุบขาตักนางสนม นางสนมกำนันก็ต้องคอยดูแลอย่างนั้นไปเพราะเพราะพระราชานอนนอนนอนหมุนตักตัวเองอยู่เนี่ยทีนี้กลุ่มนางสนมเหล่านั้นที่ร้องรำทำเพลงเนี่ ย, ยพระราชาหลับแล้วกิจในการร้องรำําเพงลงเราหมดแล้วไอ้ปล่อยให้นางสนมนางเดียวเนี่ยอยู่เพราะว่านอนหมุนตกักนางสนมอยู่บอกเมาสจัดหลับไปแล้วหลับก็เลยเดินเที่ยวชมสวนกันไปก็ไปเห็นว่าโพติสัตว์ พระโพธิสัตว์นั่งสง่างามเข้าสมาบัติอยู่ใ น, ในอุทยานนี่แหละอุ้ยนางสนองกำนันเหล่านั้นเห็นเป็นนักบวชหน้าต า, าเลือมใสามากก็เข้าไปนั่งรายล้อมใครเนี่ยนะรายล้อมอยู่ไปถามปัญหาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เทศเรื่องขันติว่าเออขันติเนี่ยเป็นยังไงก็พูดถึงความ อดกัน้นความตั้งใจความอดทนต่อความผิดของสัตว์ทั้งหลายที่กระทําแล้วมีความไม่โกรธเป็นยังไงมีการผ่มไว้เป็นลักษณะมีความอดทนต่อสิ่งที่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนานเป็นหน้าที่ยังไงแล้วเขามีความอดกัน้นหรือความโกรธได้เป็นผลปรากฏยังไงมีความเข้าใจสิ่งทั้งหลายนี่แหละถึงสามารถอดทนได้วางใจได้ก็สองสอนกลุ่มนางสนมเลยนะนี่พระราชาตื่นขึ้นมาสิเป็นเรื่องเลยเธอเนี่ยตื่นมาเอ้าตายหาแล้ว หายไปไหนหมดเลยพอเหลียวไปก็เห็นนางสนมหูลายล้อมโกรธไหมพระราชาโกรธหมหนึ่งหนึ่งลิศยาสองตณีเออตนีอะไรานางสนมกำนานนี่เป็นบริวารของใครบริวารของฉันเออเมื่อเป็นบริวารของฉันไม่ต้องรายล้อมฉันนีิและนี่เป็นไปลายล้อมไอ้เจ้าดาบทขี้โกงนะ ไอ้ดาวบทชี้โกงนี่มันโกงเอาบริวารของฉันไปขยายยางหวงด้วยฤทิ์ยาด้วยมันต้องมาสารเสริญคข น, น, นของฉันนี่บริวารของฉันเนี่ยเพราะฉันเลี้ยงฉันจ่ายเงินเดือนในมันฉันดูแลมันใช่ไหมเออไอ้เจ้านี้ดันไอ้พวกนี้ดันไปสารเสริญไอ้เจ้าดาวบทชี้โกงเนี่ยโอ้โหลุกพวดขึ้นมาเลยคว้าดาวเดนิดนเดนินเดินไปไชีน้นางเนี่ยไอ้ดาวบทชี้โกง ชี้น้าเงี้ยนะชี้นะหน้าชี้นะบอกา่ามาสอนอะไรบริวารยนัขันติวาธีดาบทก็บอกว่าเจริญพรมหาบาพิษอัตมะอัตมาเนี่ยสอนเรื่องขันติความอดทนความอดกลั้นเป็นลักษณะแล้วก็สามารถเมื่อขันติเกิดขึ้นมาแล้ว ก็สามารถวางใจต่อสิ่งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาได้เป็นกิจเป็นหน้าที่แล้วก็ความโกรธสามารถข่มความโกรธได้ไม่สามารถทําความโกรธให้มันพุกพพากขึ้นมาเพราะมีการรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเป็นเหตุใกล้ก็ได้ไปไดังโอ้โหดา่ดาด่าเรานี่เข้าใจไงไปเลยถามองคสอนคนอื่นเนี่ยได้แล้วทําได้ด้วยกันธรรมมาสอนคนอื่นอย่างไรก็ทําได้อย่างนั้นโอ้โหอย่างกระท้าทายเลยนะ อยสั่งทหารมาเลยสั่งมาเสร็จเสร็จปุ๊บบอกจับไอ้ดาให้นางสนองกำนันออกให้อามาตให้ให้ทหารเนี่ยเอาอแส่มาเอาสอนเรื่องขันติใช่ไหมอยากจะรู้ว่าขันติเป็นยังไงอยากจะเห็นนะเขียนให้เขียนดาบเนี่ยข้างละสองพันครั้ง สด้านนะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนี่ข้างละสองคนฟกฟกฟกเลือดไหลตลอดท่านไม่ร้องสันก็คือเลือดเไหล อ, ออกมาท่านตูวท่านมีความอรรทนสูงแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงขันติเป็นยังไงท่านก็บอกว่ามหาบพิตรไม่รู้จักขันติแล้วขันติมันไม่ใช่มันไม่ใช่ร่างกาย แต่ขันติมันเป็นสภาวะของอัตโทสัคือสภาพใจที่มันไม่โกรธมันเป็นนามธรรมมันอยู่ลึกมันอยู่ลึกมันหยั่งอลึกลึกมันเป็นสภาพที่เมุ่ติยทุทสิย้ายสภาพที่ไม่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนั้นเป็นสภาพสามารถข่มความยินดียินร้ายได้เพราะรู้สิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพราะมันเข้าใจแล้วเนี่ยกายทั้งหลายเหล่านี้จิตทั้งหลายเหล่านี้มันคือสภาวะธรรมพวกไม่เข้าใจใหญ่งั้นเอามีดมา มือโอ้โหเตัดมือสองข้างตัดขาตัดใบหูตัดจมูกลองคิดดูดีท่านก็บอกว่าเนี่ยขันติมันไม่อยู่ที่มือขันติมันไม่อยู่ที่ขาตัดฟุบขาดเลยนะเพรามันไม่อยู่ที่มือไม่อยู่ที่ขาขันติมันอยู่ในห่วงอัธายาลึกมันอยู่ในห่วงอัธายาลึกเพราะรมาก็คือเป็นนามธรรมาเป็นความสภาพที่มันไม่โกรธ ทำยังไงก็ไม่แน่ทำยังไงก็ไม่แน่โกรธใจลุกขึ้นใช้เท้าเนี่ยกระทืบกระทืบดาบบนนะกระทิบที่ยอดอกกระเทิบตุ้มตุมตุมเหมือนร้องไห้อะว่าทำยังไงก็ทําให้เขาโกรธไม่ได้เข้าใจใช่ไหมก็กระทืบที่เท้าตุบเออกระเทิบที่อกตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มไปก็ทิ้งดาบแล้วเดินไปเลยโอหกลุ่มอมาดีคานมาขอขมาคานมาขอขมาบอกว่าขออยาให้วิบัติเนี่ยถามว่าท่านมีฤทธิ์ไม่มี ท่านจะสามารถทําให้เมืองนี้ร่มทั้งเมืองก็ได้ฤทธิ์ท่านขนาดนั้นนะแต่ท่านก็ข่มเห็นไหมการมีขันติเนี่ยไม่ใช่ว่าสู้เขาไม่ได้นะคือเราสู้เขาได้ทุกอย่างฉลาดกว่าเขาด้วยมีความสามารถมากกว่าเขาด้วยแต่ไม่ทำข่มไว้เพราะไม่ไม่ปรารถนา จ, จะประทุทสล้ายครับอูอามายก็มาบอกว่าใหญ่บอกคนที่ทำพีนั่นคือพระราชาคนเดียวไม่ใช่ประชากรทั้งประเทศนะบอกงั้นเด้อ ขอให้ถ้าจะให้เป็นอะไรก็ขอให้มีพระราชาคนเดียวท่านเป็นท่านพูดยังไงรู้ไพอประคองขึ้นมาท่านก็บอกว่าประมาทเลยเราไม่เคยคิดปฏิทุสลายต่อผู้ที่ปฏิทุสลายเลยเรายังมีใจปรารถนาขอพระราชาจงปลอดภยัยขอพระราชามีความสุขขอพระราชาทรงมียืดหยุนอย่าได้ประสบอันตรายเลยตลอดเวลาแต่พอเดินเดินไปละสายตาเขาเลยสัน่นแผ่นดินแยก สุดดูดลงไปเลยเนี่ยนี่คืออดีตชาติพระเทวทัพโดนหลายเลือกหลายรอบมันพระเทวทัพโดนหลายรอบเลยโดนไปดินสูกหลายรอบเลยเป็นไรหนูนี่เป็นอะไรไ ม, ไ, ไม่ฟังเลยนี่เป็นอย่างงี้มั้จะมีความ เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นเหตุใกล้อปภการต่อมาคือสัจจะบารมีคือการไม่กล่าวคาดเคลื่อนจากความจริงมีการเว้นกล่าวบางอย่างเป็นต้นเหล่านี้ไม่ใช่ยังนั้นสัจจะก็มีการไม่กล่าวผิดจากความเป็นจริงเป็นลักษณะก็คือพูดจริงนั่นเองจริงมีการกระทําสภาวะตามความเป็นจริงให้แจ่มแจ้งเป็นหน้าที่เลยเนี่ยมีความดีมีความงามทั้งหลายเหล่านี้ ความถูกต้องเนี่ยเป็นผลแล้วก็มีความเป็นผู้ยินดีในทํามอันงามเป็นเหตุไกลเนี่ยสัจจะเป็นอย่างนี้ก็มีการไม่ไม่พูดผิดเนี่แหละเป็นลักษณะมีการประกาศความจริงด้วยเป็นแล้วก็มีความชื่นใจด้วยนะเป็นผลปรากฏมีความสงบสังเยี่มเป็นประทัดฐานเป็นเดตุไกลด้วยประการต่อมาคืออธิษฐานบารมีมีความเป็นไปแห่งการที่เป็นประโยชน์เนี่ยเป็นลักษณะอธิษฐานะ การตั้งมั่นไม่หวั่นไหวก็คือตั้งใจที่เป็นไปเดชะการต่างๆอธิษฐานก็มีการตั้งมั่นในโพธิสมภารเป็นต้นเป็นลักษณะถ้าตั้งมั่นจะตัดสรู้ก็ตั้งมั่นไว้ไม่ถอนปรารถนาแต่ไม่ใช่เป็นไปกระโจนนะอธิษฐานว่าฉันจะโกรธคนนี้ตลอดไปนี่ไม่เป็นอธิษฐานอธิษฐานต้องเป็นไปกับความดีคือตั้งมั่นในการจะเป็นพระพุทธเจ้าตั้งมั่นในเป็นการที่จะเป็นพระปเจพระเ จ, เจ้าจะเป็นสาวกพทะเจ้าหรือจะเป็นผู้บรรลุธรรมทั้งหลายเนี่ยอธิษฐานมั่น แล้วก็เป็นลักษณะมีการข่มหรือกําจัดปฏิปักษ์ของโพทที่สมภารทั้งหลายเป็นหน้าที่ถ้ามันมีความคิดจะไม่ทําตามที่ตั้งใจไว้เนี่ยมันจะทําลายความคิดตรงนั้นทําลายการกระทําเหล่านั้นทั้งหมดเช่นในทิฏฐานว่าเราจะรักษาศีลเราจะให้ทานเนี่ยพอวันหนึ่งเกิดเกียจข้านขึ้นมาฝนตกมันรีบทํำลายไม่เอาถึงฝนตกเราก็จะต้องให้ทานเพราะเราตั้งใจว่าจะต้องให้ทานทุกวันนะถ้าเราไม่ได้ให้คนอื่นก่อนเราจะไม่กินทีหลังนีนะ่ต้องให้ก่อน หาคนให้ไม่ได้ก็น้อมน้มํำก็ดีอะไรถวายพระธนตาตายก่อนตัวเองจึงกินจึ ง, จรงบริโภคเนี่ยตั้งขนาดนั้นนี่นะถ้าจะไม่ยอมไม่ให้บุคคลอ่อนจะไม่ยอมดื่มไม่ไม่เอาอะไรใส่ปากมองอ๋อยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอธิษฐานความตั้งใจมั่นไม่ถอนมีความไม่หวั่นไหวเจอปัญหาเจออุปสรรคใดๆทั้งหลายมาขัดขวางก็จะไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างเด็ดขาดบางคนเวลาตั้งใจอะไรแล้วจะเจอปัญหาเยอะใช่ไหมก็ถอนง่ายๆเป็นไหม ฉะนั้นก็ต้องให้มีอธิษฐานนี้เรื่อยๆแล้วก็มีความตั้งมั่นในโพธิญาณ เ, เป็นเหตุใกล้คือตั้งมั่นว่าจะต้องบรรลุปเป็นพระโสดาบันเป็นเหตุใกล้สากาทาคาอนาคาหรือพระรหารเนี่ยในโพธิเนี่ยคือปัญญาที่ตัดสู้ความจริงเป็นเหตุใกล้ไอตัวนี้เป็นแรงกระตุ้นตลอดว่าเรามีมีจิตจุดมุ่งหมายอย่างนี้นะเนี่ยมีหรื อ, อยังตอนนี้ตั้งมั่นไว้ยัง ว่าเราเนี่ยจะต้องบรรลุให้ได้เราจะต้องพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ให้ได้นี่เป็นเป็นเป็ น, ปนจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้อย่างนี้ตลอดเลลวลานั่นอธิษฐานสําคัญไหมอธิษฐานแล้วทําไม่ใช่อธิษฐานแล้วร้องขอรอผลเป็นบรนดาลไมเป็นอธิษฐานแล้วทํานี่เป็นงนี้เดือปิดครับ